ขอรอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอาการเพื่อนสางธรมมิทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีละญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> เราก็นักปฏิบัติก็วันนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วเนาะซึ่งได้เดินทางมาไปบัติที่วัดป่าสวนโตในครั้งนี้นะก็ด้วยความที่ท่านทุกท่านก็มีความตั้งใจนะในการที่ว่าเรา มาเจริญสติกันนะครั้นี้นะบางคนก็สงสัยว่าเออทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันเพื่ออะไรอันนี้นะถ้าเราดูให้ดีนะจากเมื่อกี้ที่เราได้สวดในการทำวัดเช้านี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปได้อย่างหนึ่งว่าในพุทสถานานี้นะบางทีมีคำสอนมากมายนะ แต่การที่เราจะสรุปให้สั้นเนี่ยก็จะทำให้เราทำความเข้าใจกับศาสนาได้ง่ายขึ้นนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความทุกข์นะที่เมื่อกี้เราก็สวดไปนะว่าชาติเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ <c oughs> มรณะเป็นทุกขขังความตายก็เป็นทุกข์นะ ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็คือความทุกข์ความที่เราประสบกับความคับแค้นใจความพิไรลำพันธ์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ความที่เราก็ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความประสบกับความพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์นี่ก็คือประเด็นสำคัญนะว่าให้เห็นความทุกข์ก่อนนะว่าเป็นความทุกข์อย่างไรก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจนั่นเองเนาะอันนี้คือประเด็นแรกนะก็คือให้เรารู้จักความทุกข์ก่อนประการต่อมาก็คือให้ ปฏิบัติเพื่อความดับทุกเหล่านั้นนะการปฏิบัติเพื่อความดับทุกเหล่านั้นเนี่ยเป็นหนทางนะที่พระองคทรงแสดงไว้ในมัชมีองค์แปดโดยสรุปก็คือศีลสติสมาธิและปัญญานั่นเองเนาะอันนี้ก็คือประเด็นหลักนะในพุทธศาสนาก็คือสองอย่างนี้ก็คือให้เห็นทุกและปฏิบัติเพื่อความดับทุก ถ้าเราจับประเด็นแล้วเราก็จะง่ายขึ้นว่าเรามาศึกษาหรือมาอยู่ในพุทธศาสนนี้เพื่อเหตุอะไรและจะทาอะไรต่อไปเนาะคราว น, นี้ความที่เป็นความทุกข์ในกายและใจนี่แหล ะ, ะเราก็แยกประเด็นให้ดีนะว่าตรงนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างไรความทุกข์ในทางกายนั้นนะก็คื อ, อความที่เราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการที่เราต้องแก่ นะต้องเจ็บต้องตายนะ น, นี่ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ประจำสังขารซึ่งเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยนะแม้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งนอกจากความทุกข์ประจำสังขารแล้วก็เป็นความทุกข์ที่จอมาอีกนะเช่นความทุกข์จากการปวดการเมื่อยที่เรานั่งนานๆนะหรืออาการที่ว่าบางท่านจะเริ่มหนาวนะเริ่มร้อนต่างๆเหล่านี้ บางท่านก็เริ่มจังง่วงแล้วนะอืบางท่านอาจจะเริ่มหิวนะหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านี้คือความทุกข์ที่จรมาทั้งนั้นะความทุกข์ที่จรมาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นความทุกข์ประจําสังขารแต่เขาก็จรมาชั่วคราวนะอย่างเราปวดเมื่อยไปเดียวเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเลยปวดเขาก็หายไปนะแต่เราเปลี่ยนมายืนมาเดินมันก็ต้องเปลี่ยนกลับมานั่งมานอนใหม่ เราจะอยู่ในบทใดบทอีกบทหนึ่งนานๆก็ไม่ได้เนาะเราหิวแล้วก็ไปทานอาหารเดี๋ยวก็หายหิวแต่ก็กลับมาหิวใหม่นะสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราแก้เขาได้ถาวรนันะก็คือเป็นการบรรเทานะเพราะนั้นสรุปแล้วทุกประจํากายของเรานั้นนะนะนะเป็นสิ่งเราแก้ก็ไม่ได้หรอกนะ เพราะว่าเราแค่บันเท่าก็ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือความทุกขนะ์ประจําจิตใจของเรา <c oughs> จิตใจของเรนั้นนะจะมีความทุกข์มากนะที่จะจรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะบางทีตอนนี้เราก็รู้สึกปกติดีนะแต่ถ้าเราไปกระทบอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะในทางรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพธทธม ร, รมนะก็นาให้เราเกิดความยินดียินร้าย หรือเฉยๆก็คือเกิดเวทนาขึ้นในต่างๆเหล่านั้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันนะเราต้องต้องออกอารมณ์จากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ให้ทันนะเพราะถ้าเราออกจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์ในตรงนั้นนานนะนี่คือความทุกข์ในทางจิตใจนะอันนี้เ็าเรียกว่าทุกข์ในขณะที่เรากระทบอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ อยู่ในจิตใจของเรานั้นมันไม่ได้เลือนหายไปนะแม้ว่าจะเป็นเวลานานแล้วนะบางทีเราก็คิดยอด้นอนไปอดีตนะหลายหลายปีห้าปี10ปีนะอาจจะประสบอารมณ์ต่างๆที่ไม่พอใจในเหล่านั้นนะมีควรมาด่าว่าเรามานินทาเรามามาประจานเรานะต่างๆนะเราก็พอนึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนะมื่อ5ปีก่อนเขามาทำเราเหล่านั้น เราก็มีความทุกข์มีความไม่พอใจเราก็นึกซ้ำอยู่นั่นอยู่เรื่อยๆนะมันก็นำความทุกข์มาเราอยู่เรื่อยๆอนำความไม่พอใจนำความโกรธมาเราอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับคนเข้ามีดมาแทงเราครั้งนึงแล้วเนี่ยเขาก็จากไปแต่เรายังมีมาแทงตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนนะก็เพราะว่าเราไประลึกถึงอดีตเหล่านั้นโดยการที่ไม่รู้จักปล่อยจากวางนะ ก็นำความทุกข์มาให้เราอยู่เป็นประจําหรือคํานึงไปถึงในอนาคตนะที่ยังมาไม่ถึงนะอนาคตเราต้องไ ป, ปบำนาญบำนั้นนะต้องผนจญกับสิ่งเหล่านั้นที่เราไม่ชอบไม่อยากจะเจอแต่เราก็เป็นนึกอยู่เรื่อยๆมีความกางังวลนะบางทีเหตุการณ์เหล่านั้นยังต้องนานกว่าเราจะไปพบนะแต่เราก็มีความทุกข์ไปก่อนสัแล้วนะแต่จริงๆแล้วเมื่อเราประสบเหตุเหล่านั้นจริงๆเราก็กลับไม่ค่อยมีความทุกข์ แต่ว่าไอ้การที่เรากังวลอยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันทําความทุกข์ให้เรายิ่งกว่าไปประสบจริงๆนะ น, นี่เขาเรียกว่าเรากางังวลไปในอนาคตนะเพราะฉะนั้นจิตของเรานี้มันจึงไหลอะเข้าไปในอดีตบ้างไหลไปในอนาคตบ้างนําความทุกข์บ้างนําความสุขบ้างต่างๆเหล่านี้มาให้จิตใจของเรานะบางคนนะถึงกับฆ่าตัวตายก็มีนะก็เพราะว่าความทุกข์จากใจนี่แหละ เพราะฉะนั้นเราจรึงเห็นได้ว่าความทุกข์ทักใจนี้จริงๆแล้วมีความทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายอีกนะเพราะความทุกข์ทางกายเนี่ยเราบางทีก็แก้เขาแล้วก็บรรเทาเขาได้แต่บางทีความทุกข์ทางใจนี้บางคนก็ออกยากนะอะมีปัญหาต่างๆมีความไม่พอใจมีความเครียดมีลมต่างๆแก้ไขยากมากเลยนะอะนานมากทีเดียวว่าจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นแล้วนําความทุกข์ไหมกับเราแทบจะถาวรเลยนะ แต่ว่าความทุกข์ทางใจที่ว่านาความทุกข์ที่รุนแรงมากับแก้ไขได้อย่างถาวรนะก็คือสามารถที่จะลบล้างความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรนะอย่างเช่นพระหัส น, นะท่านกา็มีแต่ความทุกข์ทางกายแต่ความทุกข์ทางใจท่านไม่มีแล้วนะเพราะท่านหมดความทุกข์ในตรงนั้นแล้วเพราะนั้นประเด็นในพุทธศาสนาก็คือเรามา ปฏิบัติเพื่อการละความทุกข์ทางใจนั่นเองนะซึ่งเป็นความทุกข์ที่เราสามารถทำให้จบได้อย่างเด็ดขาดและเมื่อเราสามารถทำให้ความทุกข์ทางใจจบได้ยินอย่างเด็ดขาดแล้วนั่นก็คือภพชาติเราก็จะหมดไปด้วยนะการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็จะหมดไปด้วยนะเพราะว่ากิเลส ท, ที่นำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะมีกิเลสต่างๆก็คือความโลภความโกรธความหลง อ, งอยู่ในใจของเรา เมื่อยังฝังตัวอยู่มันก็ต้องนําให้เรากลับมาเวียนวายตายเกิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับต้นไม้ใหญ่อที่สูงถึง 20-30 เมนตะรก็มาจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวนะแต่ว่ามีเชื้ออยูนะ่เมื่อตกไปในดินที่ดมสมบูรณ์ก็สามารถโตขึ้นมาได้ฉันใดนะจิตที่มีกิเลสอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็นําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกได้ฉันนั้นนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นแล้วว่า การจะดับทุกจริงๆนั้นนะก็คือต้องดับที่ใจดับให้หมดสิ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงที่อยู่ในใจของเราในความความโลภความโกรธความหลงความโลภก็คือความยินดีแทบจะทุกอย่างเนาะความอยากได้ความพอใจความรักความที่จิตไปเสพอารมณ์ที่เรามีความสุข นะมีความยินดีต่างๆนะั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มของความโลภส่วนอารมณ์ที่ยินลายทั้งหลายนะความไม่พอใจความเกลียดความกลัวความเหงาความเครียดความโกรธความหึงหวงความบิจฉาต่างๆเป็นกลุ่มของความยินลายทั้งหมดนี่ก็จัดอยู่ในกลุ่มของโทสะเป็นกลุ่มของปฏิฆะคือความไม่พอใจต่างๆน ส่วนในกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่นะของอความรลบและความโกรธก็คือโมหะนะโมหะก็คือความที่เราไม่รู้เท่าทันนะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและใจเราในขณะนั้นนะเช่นเรามีความคิดนะเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอยู่นะหรือเรานั่งก็ไม่รู้กำลังนั่งอยู่กำลังทำอะไรก็ไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่นะก็คือไม่รู้ในขณะนั้นว่าเรากาลัง มีกายกระทําทางกายอย่างไรไม่รู้ว่าใจมีความพฤติกรรมของใจเป็นอย่างไรนะก็ชื่อว่าเราหลงก็คือเป็นโมหะนั่นเองนะเมื่อเรารู้ไม่ทันแล้วขณะนี้รู้ไม่ทันความคิดว่าไปปรุงแต่งในเป็นโทสะก็นําให้เราสู่ความโกรธนะเมื่อเรากระทบ เกิดความยินดีร้ายก็รู้ไม่ทันก็นำให้เราไปหลงยึดในความยินดีก็กลายเป็นราคะหรือความโลภไปนะเพราะนั้นหัวหน้าใหญ่ <c oughs> ที่นำให้เราเกิดความยินดีร้ายมายความพอใจไม่พอใจหรือความโลภหรือราคะหรือโทสะก็คือความหลงนั่นเองนะความหลงก็คือการที่เรารู้ไม่เท่าทันไปในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ เพราะนั้นการที่เราเจอมาแก้ก็คือเราก็มาแก้ที่หัวหน้าใหญ่เท่านั่นแหละมาแก้ความหลงน่ะเมื่อเราไม่หลงแล้วใจก็ไม่ไหลเข้าไปสู่ในราคะไม่ไหลไปสู่ในโทสะ น, นั่นเองนะอเราก็มาอจะปราบโจรก็ไปปราบที่หัวหน้าเท่านั่นแหละลุงรองเขาก็ยอมแพ้ทั้งหมดเนา ะ, นะเพราะฉะนั้นเราจรึงได้รู้ว่าเราในหลงไปบ่อยไหมในวันๆหนึง่งนะอ่า ก็คือเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเราหลงแต่เราไม่รู้ว่าเราหลงนะบางทีเราคิดนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้เราคิดเราก็คิดไปในเรื่องต่างๆนะเรารู้ว่าเราคิดกําลังเรื่องคิดเรื่องอะไรเรารู้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้หรอกนะไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้สนุกจังเลยนะอ่ไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็คิดไปเรื่อยๆก็รู้หมดนะบางคนก็คิดกลับไปถึงบ้านเป็นยังไรบ้างก็รู้ว่าเราคิดไปถึงบ้านแล้วแหละแต่ความคิดยังทํางานต่อไป เขาเรียกว่าเราก็หลงเข้าไปในความคิดเหล่านั้นไปช่วยเขาคิดในต่างหากนะไม่รู้ว่าเรากําลังหลงหรอกแต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ว่าขณะนี้เรากําลังคิดนะรู้ว่าเรขณะนี้เรากำลังคิดปั๊บความคิดจะหยุดทันทีเลยนะนี่แหละคือสติตรงนี้นะก็คือเรารู้ว่าในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กําลังคิดอยู่ก็รู้ว่ากําลังคิดอยู่นะไม่ต้องรู้ว่าขณะนี้กําลังคิดเรื่องอะไรหรอกพอรู้ว่ากําลังคิดเรื่องอะไรมันก็คิดต่อนะ แต่ให้กลับมารู้ว่าขณะนี้กาลังคิดนะพอเรารู้กาลังคิดเขาก็หยุดเลยนะเขาก็ดับทันทีนะเพราะนั่นแหละก็คือกุศลจิต ท, ที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าจิตของเรานี่มันจะเกิดดับได้ทีละครั้งทีละดวงนะความคิดที่ไหลไปนะเาเรียกว่าเป็นอกุศลจิตอกุศลเป็น่ากุศลจิตนะแต่เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันว่าขณะนี้เรากลังคิด นี่คือกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเอากุศลจิตก็เลยดับไปนั่นเองเนาะเพราะการที่เรามารู้เท่าทันอถึงว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กําลังคิดอยู่ก็รู้ว่ากําลังคิดนั่นมันก็ดับไปเพราะว่าเป็นอาจิตที่เป็นกุศลมันก็มาดับจิตที่แปลกุศลนะมันจะรู้เท่าทันไปในสภาวะต่างๆได้จากจิตที่รู้นั่นเองนะ นอกจากเขาจะรู้ทันความคิดแล้วเขาก็รู้ว่าขณะนี้กำลังนั่งอยู่น ะ, ะหรือบางคนอาจจะทำนู่นทำนี่อยู่เขาก็รู้ว่าขณะนี้กำลังทาอะไรอยู่นะความรู้นี่ก็สามารถรู้ตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดได้น ะ, ะบางคนอาจจะรู้ขยับหยาบเออขณะนี้กลาลังนั่งอยู่นะแต่บางคนก็เริ่มรู้ละเอียดแล้วนะอาจจะกระพริบตาหรือว่ากระดิกหน้านิดนึง เอี่ยวซ้ายแลบขวาเขาก็รู้ทันได้นะเพราะว่าเขามีความชํานาญในการรู้มากขึ้นเขาก็ละเอียดเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่จะมาแก้ความหลงได้ก็คือรู้นั่นเองนะอ่มันจะเป็นคู่ปรับกั น, นะ <c oughs> ก็พูดไง่ายๆว่าเมื่อเราหลงเราก็ไม่รู้นะเมื่อเรารู้เราก็ไม่หลงนั่นเองนะมันจะมาแก้ปรับกันตรงนั้นนะเ <c oughs> พราะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างความตัวรู้เนี่ยขึ้นมาได้นะ การที่เรามาสร้างตัวรู้นั้นนะเราก็มาใช้วิธีการอเรียกว่าเจริญสติในแนวทางหลวงพ่อเทียนอันที่เรามาฝึกกันเลยตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะใช้วิธีอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเป็นการรู้ที่ถูกต้องก็ใช้ได้ทั้งหมดนะอคราวนี้นะการที่เรารู้นั้ น, น, นเราก็ไปอที่จะไปตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะและบางคนไม่รู้วิธีการก็เออ ยกมือบ้างเดยจงกรมบ้างก็ไปเพ่งเอาไว้นะตั้งใจรู้ตลอดเวลาไปคอยเพง่งคอยจ้องทุกทุ ก, ทกอีบทเลยนะก็อันนั้นเขาเรียกว่าเราไปเพ่งแล้วนะเราไม่ได้ไปรู้ตามความเป็นจริงนะการรู้ตามความเป็นจริงนั้นหมายความว่ายางไรนะหมายความว่ารู้ตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้เขาเป็นนะ เพราะการที่เราอารู้ตามที่เราอยากให้ก็เป็นนั่นหละก็คือสมถะสมถะก็คือเราไปบังคับเขาไว้ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะให้เขาจิตสงบบ้างนะให้เขารู้สึกตัวตลอดเวลาบ้างไม่เป็นไม่เป็นไหนเลยนะให้เขาดีตามที่เราต้องการต่างๆะให้เขาไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอันนั้นคือสมถะหมดนะก็คือเราไปบังคับเขาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วพอเราบังคับเช่นนั้นแล้วน่ ะ, ะเมื่อเราบังคับไม่ได้เราก็ทุกข์อีก เ, ออเราทําไมทําแล้วมันไม่สงบนะอ่าทําไมเราทําแล้วมันไม่เป็นไปตามเราต้องการเราก็ทุกข์แต่พอเราทําแล้วเราเป็นม า, าตามเราต้องการเออติดสงบดีนะเราชอบใจนะหรือเออวันนี้รู้สึกตัวทั้งวันเลยนะ เ, ออเราชอบใจ แต่แปลว่ามันต่อมาพรุ่งนี้เราก็ไม่สงบแล้วหรือพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็มีความทุกข์อีกเพราะว่าทุกอย่างก็ตกในกฎพระไตรลักษณ์นะเราก็ไม่บังคับให้เขาตามที่เราต้องการไม่ได้ทุกๆครั้งหรอกนะมันจึงมีความทุกข์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสมถะนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราจะมีความทุกข์ตลอดนะบางคนอยู่ในที่นี้เคยไปบัตรมาหลายอย่างแล้วรับประกันได้นะนะเคยไปบัติสมถะมาเปลี่ยนสำนักนู้นสำนักนี้ แต่ก็บังคับเขาตามเราต้องการไม่ได้สักครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีความทุกข์ทาไมเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็หาวิธีการใหม่เรื่อยๆนั่นล่ะเราก็วนไปในตรงนั้นนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการบัตรนี้ไปบัตรเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเองว่าเราบังคับเขาไม่ได้บังคับเราไปบัตรเพื่อให้เป็นไปตามที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเป็นไปตามเราต้องการนั้นมันก็ไม่ไม่เป็นเช่นนั้ <t> <PC S> นหรอก เพ ร, เราบังคับเขาไม่ได้อยู่ดีนะครั้นนี้ถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะก็คือเรานะกลับมารู้ตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนั้นเท่านั้นเองนะโดยการที่ว่าเราไม่ไปเพ่งเขานะถ้าเพ่งเขาก็คือไปบังคับเขาก็คือสมถนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ไปตามความเป็นจริงนะขณะนี้นะเรารู้อาการต่างๆทางกายและใจที่เกิดขึ้นรู้ไปตามที่เขาเป็นจริงๆนะ ก็ไม่ใช่ว่าต้องรู้ในสิ่งที่ดีเสมอไปนะรู้ในสิ่งไม่ดีก็ได้เราหลงไปเรารู้นี่ตรงนี้คือสติแล้วน ะ, ะเพระรูปเทียจึงบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็คือหมายความว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองนะเพราะการที่เราหลงไปนะก็คือเขาแสดงการอย่างหนึ่งว่าเขาไหลไปนะแล้วเรารู้ทันไหมเรารู้ทันนี่เป็นสติเลยแต่ถ้าให้เขานิ่งนิ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มี โอกาสที่เราจะรู้ว่าเขาจะไหลไปนะมันก็เลยไม่เกิดปัญญาในาตรงนั้นขึ้นมานะเพราะนั้นหลวงประเทียนจึงบอกว่าเออยิ่งรู้นะยิ่งรู้เนะี่ยสติเราก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีท่านบอกว่ารู้รอยครั้งโอ้คิดรอยครั้งรู้รอยครั้งในสติโตมากเลยนะแต่ถ้าคิดไปรอยครั้งน่รู้แค่ครั้งสองครั้งสติมันก็ไม่โตนะเพราะว่าความที่เราสามารถรู้บ่อยๆนะั่นแหละมันจะได้โตขึ้น เพราะว่าอะไรนะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถระลึกนะได้ว่าเราคิดไปบ่อยๆนั่นแหละมันจึงทําให้สติโตนะเพราะว่าการที่เราสามารถมีคิดไปปับป๊บเนี่ยเรารู้ปั๊บเนี่ยจิตตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะจิตมันจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะหรือแม้แต่บางที่เรารู้สึกตัวก็เหมือนกันนะการรูนะ้สนะึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเป็นจิตก็จะตื่นนะ นะวันที่เรายกมือนี่แหละยกมือปับ๊บเออจิตมันตื่นมันรู้เลยนะมันสามารถที่จะตื่นได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราอามาปฏิบัติเจริญสตินี้ต้องจับประเด็นในถูกว่านะเราไม่ได้มาแบบเพื่ให้จิตสงบนะแต่ว่าให้จิตเนี่ยเขาตื่นรู้นะตื่นรู้ในอะไรตื่นรู้ในกายและใจนะก็คือตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ ไปบังคับเาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะขั้การที่เรามายกมือสร้างยังหวะนี่ถูกไหมก็มีอยู่ในสติปัฏฐาน4ใ น, ในหมวดกายานุปสัสสนาสติปัฏฐานนะในหมวดของ อ, อิบทตรบัตภะก็คือการรู้การยืนเดินนั่งนอน นะเรารู้ทันไหมขณะนี้กำลังยืนเดินนั่งนอนนะและในสมัมชัญญะปัฏพร ะ, พะนะก็คือการคู่แขนเหยียดแขนนะการก้มเงยเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอุจนะจาระปัสวะต่างๆอยู่บทย่อยทั้งหลายให้เรารู้ทันในสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรายกมือสิบสี่จังหวะก็คือเราคู่แขนเหยียดแขนนั่นเองนะให้เรารู้ทันไปในตรงนั้นนะ คณิการที่เรารู้เนี่ยมันประเด็นสําคัญก็คือเราต้องรู้ให้ต่อเนื่องกันด้วยนะเพราะฉะนั้นอถ้าเราทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเราเช่นเราอาจจะซักผ้าอแปรงฟันล้างหน้าถ้าเรารู้ต่อเนื่องไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่เมื่อเราทําแล้วมันก็จบเหมือนกันะในตรงนั้นมันแปรงฟัน5้านาทีก็จบแล้วเออบางทีไม่รู้จะทำอะไรต่อใจก็เลยใจลอยต่อไปนะ เพราะนั้นเราก็เลยให้มาสร้างจังหวะกันจะได้รู้ต่อนเนื่องได้นานๆมากขึ้นเรื่อยๆน ะ, ะเรารู้ให้ต่อนเนื่องไปจิตก็ได้สะสมตัวรู้เนี่ยได้บ่อยๆจิตก็ได้ตื่นได้บ่อยๆนั่นเองเนา ะ, ะเมื่อจิตตื่นแล้วในจิตก็รู้เท่าทันในอาการเคลื่อนไหวของกายได้ไวขึ้นนะเมื่อรู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของของกายได้ไวขึ้นเขาก็รู้เท่าทันจิตได้ไวขึ้นนั่นเองนะครันี้การที่เราจะมาดูจิตโดยตรงๆเนี่ย มันก็ดูได้นะแต่ถ้าเราไม่ชํานาญในการดูแล้วเนี่ยมันจะไปเพ่งไปจ้องจิตก็จะแข็งก็จะทื่อก็จะซึมนะตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ให้ดูจิตแต่ไปไปคอยเพ่งจิตนะจิตจะซึมจะทื่อเขาเรียกว่าเราทำํำตรงนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นให้เรามารู้ที่กายแทนมันก็เลยง่ายกว่านะรู้ที่กายแทนการรู้ที่กายแทนเนี่ยเรา เราจึงไม่ได้ไปเพ่งจิตแต่เรามารู้ที่กายแล้วเราก็ไม่ได้ไปเพ่งกายด้วยนะเราก็รู้ไปสบายๆง่ายๆนี่แหละตามที่เราฝึกมานะง่ายๆสบายๆไม่ไปคอยรู้เขาตลอดเวลานะพระลมพทะเทียนจึงบอกว่าอ่าไม่คอยเพ่งคอยจ้องนะไม่ไปคอยเพ่งคอยจ้องเขานะตรงเนี้ยแล้วก็ให้รู้กายรู้ใจด้วยความที่สบายๆก็คือ ดูกายที่เขาเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาตินั่นเองนะไม่ได้ทำให้มันผิดปกติอะไรในตรงนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปห้ามความคิดด้วยนะเพราะเราไปคอยห้ามความคิดปุ๊บ ก, ก็คือไปบังคับเคานั่นเองนะแต่เขายิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมารู้ได้ทุกครั้งนะเปรียบเสมือนกับว่าเรามีวัวอ่นะมีวัวอยู่นะถ้าเราปล่อยให้เขาไปหากินเขาไปเรื่อยๆเนะี่ย เขาก็หากินเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้าเรามีเชือกผูกก็สนิดนึงเขาก็จะไปไม่ไกลเขาจะวนๆอยู่แถวเชือกนั่นแหละนะเพราะนั้นท่านก็ให้เรามาสร้างจังหวะเดินโยงกลมกันนะเพื่อให้จิตเนี่ยไปไม่ไกลเนะมื่อเขา้าไปปุ๊บเขาก็กลับมาได้เร็วขึ้นนะเพราะเรามีความรู้สึกตัวอยู่บ้างใช่ไหมมันไม่ต้องรู้ตลอดเวลาหรอกใช่ไหมในเมื่อเข้าไปเขาก็กลับมาได้ไปแล้วก็กลับมาได้นี่แหละเขาเรียกว่าเร า, าจเจริญสติด้วยความที่เรียกว่าสบายๆนะ แต่ถ้าเราบัวมาผูกจนแน่นเลยเขาไปไหนไม่ได้นี่บัวก็อึดอัดนะบางทีบัวจะตายเราด้วยนะก็คือเราไปคอยเพ่งคอยจ้องเอออย่าไปไหนนะเอออย่าให้หลงไปนะนั่นแหละอะตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเร า, เาไปบังคับเขาอีกนะมันก็มีความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมนะครั้ น, นี้ถ้าเราทําด้วยใจที่มันสบายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นง่ายนะอย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าอทํำเล่น แต่ทำไเรื่อยๆนั่นเองนะก็คือไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังอะไรกับเขาสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องมีความตั้งใจในการไปบัตินั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้ไปคอยที่จะตั้งใจที่จะไปเอาอะไรกับเขาเพราะหลวงพระเถรีก็เลยบอกว่าอย่าอยากรู้อยา ก, ก, ยากเห็นอยากเป็นอยากมีนั่นะก็คือให้เราวางใจให้สบายๆนั่นเองนะอ่ไม่ต้องไปอยากได้ในการที่เราต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยแล้วท่านก็บอกอีกว่าอ ให้ปฏิบัติให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กันเลยนะคำว่าต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นี้นะประเด็นหนึ่งก็คือนอกจากในรูปแบบแล้วสิบสีจังหวะหรือเดินยงกลมแล้วก็ให้รู้ตลอดทั้งวันอาจารย์ไปศาลท่านไปอยู่หลวงพ่อเทใหม่ๆก็ถามว่าผมจะบัติเวลาไหนบ้างครับหลวงพ่อเทียมาว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะตรงนี้ก็คือเราในรูปแบบและนอกรูปแบบนะถ้าเราทําตรงนี้ได้ ต่อเนื่องกันนะตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำํำพับผ้าหม่มพับที่นอนทั้งหลายแหละก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปทานอาหารเดินไปไหนมาไหนทั้งวันเข้าห้องน้ํากวาดนูน่นถูนี่เนี่ยเราสามารถรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นทางนี้เราก็ส่งเสริมให้เราทําความสะอาดกันนะถูสาราหน้ากวาดสาระหน้าหรือห้องน้ําหรือหอไตมาช่วยกันทําอันนี้ก็เป็นการฝึก ในการรู้สึกตัวได้ให้ต่อเนื่องกันนะไม่ใช่ว่าเรามาเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานั้นเป็นเวลาพักอันนั้นก็น้อยไปนะเพราะเรามีเวลาแค่เจวันเท่านั้นเราก็ถ้าเราขยันแล้วก็ทําเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเข้านอนเลยนะเราก็ทําแบบรู้มากไม่รู้มากนั้นแหละไม่ต้องคอยจ้องให้มันรู้ตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะแต่ใหม่ๆแล้วก็มีความตั้งใจนิดนึงนะหลังนั้นมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรนะเมื่อระลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมารู้เมื่อนั้นนะ ตรงนี้มันก็จะทําให้เราชํานาญในการกลับมาด้วยนะคราวนี้คําว่าก้อนเนื้อลูกโซ่นในอีกประเด็นหนึ่งก็คือลูกโซ่นี่มันก็จะเป็นเป็นห่วงห่วงที่เป็นคล้องคล้องคกันแต่ละข้อนะก็คือให้รู้เป็นขณะดขนาดนะไม่ต้องรู้ยาวไปเหล็กเส้นรู้ยาบเหล็กเส้นก็คือไปคอยคอยเพลงคอยจ้องแค่นั่นแหละรู้ยาวๆไปเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนั้นทําแล้วถ้าเรารู้สึกมึนหัวก็นั่นแหละแสดงว่าเรา ไปคอยเพลงเขาแล้วนะครานี้ก็คือรู้เป็นขณะขณะหรือรู้เป็นจุดจุดก็คือรู้แล้วก็หลงได้ไม่เป็นไรหลงก็กลับมารู้ใหม่ไม่เป็นไรหรือแม้แต่หลงยาวก็ไม่เป็นไรอีกนะเพราะเราไม่ได้ไปเพลงไว้หลงยาวก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปโทษตัวเองเพราะทุกคนน่ยหลงได้ทั้งหมดนะไม่มีใครไม่หลงหรอกได้ไหมกลับมารู้ใหม่การกลับมารู้ใหม่แต่ละครั้งนั่นแหละก็คือได้คะแนนทุกๆครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็เราจะง่ายขึ้นในการปฏิบัตินะ รู้สึกว่ามันปฏิบัตินี่มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ยากแล้วก็ไม่น่าเบื่อหน่ายแต่เราไปคอยบังคับคอยที่จะให้เขาเป็นไ ป, นปนตามเราต้องการนะให้เขารู้ทุกทุกขณะมันก็กลายเป็นความน่าเบื่อหน่ายไปแล้วเราก็จะเกิดความเครียดในการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นถ้าระวังใจให้ถูกต้องแล้วมันก็จะกลายว่าเราทําได้สบายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเห็นเรเรื่องความหลงเป็นเรื่องธรรมดา ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที vant, <S <S ่จะยอมรับในความเป็นจริงในตรงนี้ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจของเราในตรงนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นความจริงที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนะการที่เรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นจึงการเป็นการที่ว่าเรายอมรับเขาแล้วในการที่หลงก็หลงก็หลงได้ก็ไม่เป็นไรโกรธก็โกรธได้ก็ไม่เป็นไรรักก็รักได้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ความจริงในตรงนั้นบ่อยๆเท่านั้นเองนะ รู้ขณะนี้กำลังลักะกําลังชังกําลังหลงแค่นี้เองปัญญาปฏิปธรรมจึงไม่มีอะไรเยอะไปไปกว่านี้เลยก็คือให้เรารู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าอะไระเพราะว่าในอริยสัจ4ี่ก็บอกไว้แล้วว่าทุกเป็นสิ่งที่เราต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องล ะ, ะนิโรธเป็นสิ่งเราต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งเราต้องทําให้เกิดเพราะฉะนั้นทุกก็เป็นสิ่งเราต้องรู้นั่นเองนะอะ ทุก็คือสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะความรักความชังความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้แม้แต่ความรักมันก็ยังเป็นความทุกข์เลยนะเพราะความรักก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะไม่มีทุกอย่างในโลกเนี่ยเที่ยงหรอกเพราะฉนั้นทุกอย่างก็คือความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในกายและใจของเราล้วนจะเป็นความทุกข์เท่านั้นเราก็มีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะนี้ก็ตามในอริสสัจสีเราไม่ีหน้าที่แค่รู้ ก็ทุกนั้นเราไม่น่าที่จะรู้ก็พอแล้วนะเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละเขาหลงหลงไปก็รู้เพรารู้ด้วยสติเขาดับนะลักไปเรารู้ด้วยสติรู้ขณะนี้กําลังรักเขาก็ดับเหมือนกันโกรธก็เหมือนกันเรารู้ด้วยสติเขาก็ดับได้ดับทั้งหมดนั่นแหละนะมันไม่ใช่ไปเป็นสิ่งที่ดับไม่ได้หรอกแต่เขาดับด้วยอํานาจของการรู้ทันไม่ใช่เราไปทําให้เขาดับนะไม่ใช่เขาดับด้วยฝีมือเรา แต่เกิดจากการที่เรารู้เขาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้เราฝึกรู้บ่อยๆอะไรก็ได้ในดีหรือชั่วก็ได้เพราะเราจรึงไม่ต้องไปคอยละให้เ้าหมดไปไม่ได้ไปบัติแล้ว7จบัตรนู้เราต้องไม่มีกิเลสแล้วนะต้องไม่โกรธแล้วนะอัน้นก็เป็นไปนไม่ได้หรอกเพียงแต่เราฝึกแค่เรารู้เท่านั้นเองนะเรารู้ไหมขณะนี้กำลังรักกําลังชังกําลังโ ก, กรธกำลังหลงแค่นี้ก็เท่านั้นเองน ะ, พะเพราะฉะนั้นการเจริญสติ ก, ก็คือเรามาฝึกในการที่เราจะรู้ทันอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริง นะตรงเนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆเบาค่อยๆน้อยไปเองนะโดยกําลังของสติแล้วเมื่อเขาเกิดปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเบาจ ะ, าจะน้อยจนกระทั่งเขามีแต่เขาไม่ทําความทุกข์ให้กับเราต่อไปอีกนะนะเพราะฉะนั้นความรักความชังความโกรธ ค, ความหลงต่างๆเขามีได้แต่ว่าไม่มีตัวเราที่จะไปเสวยอารมณ์เหล่านั้นอีกต่อไปแล้วเนาะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอรัตนาบารมีคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านเจริญด้วยศีล สติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน